ท่านผู้ังคะได้เวลาที่จะพบกับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุลโนในาการสันสนีสนทนาช่วงเวลาที่เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกันแล้วคะ่ะนวัส ก, การกับท่านคะ่ะอาจรย์พาค่ะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเพราะท่านอาจารย์ไพบูลก็จะนำเอาพุทธวจนะมาแนบกับคําตอบเป็นหลักเลยนะคะค่ะ และการที่ท่านผู้ฟังเนี่ยส่งคําถามเข้ามาเราได้อธิบายได้ฟังได้เข้าใจเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทําให้เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทชั้นเลิศผู้เปิดทานที่ถูกปิดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่เฉยเป็นพุทธบริษัทชั้นเลิศได้ถ้าฟังรายการ ท, ที่พูดแล้วก็มีคําพูดขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอดมาเผยแพร่ให้กับท่านฟังซึ่งรายการนี้นะคะเราก็พยายามเป็นอย่างยิ่งเพราะคิดว่า ในวันเวลาของคนเราแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปมันดูเหมือนมากแต่บางทีมันก็น้อยเราควรที่จะเข้าถึงคําสอนขององค์พระศาสดากันโดยตรงเลยท่านจาจารย์คะวันนี้คําถามที่จะเตรียมมาถามเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจสี่อพอดอีได้ไปฟังธรรมมานะคะก็มีการอธิบายถึงอริยสัจสี่ 4. ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมาติดใจตรงที่ สมุทัยค่ะฟังคําอธิบายแล้วดูเหมือนกับว่าเหตุแห่งทุกข์ที่อธิบายนั้นคือความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินเนี่ยเหมือนกับความเพลินไหมแล้วถามว่าความเพลินเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยในอริยศาสตร4ี่ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือเปล่าคะความเพลิดเพลินกับความเพลินเนี่ยเหมือนกันภาษาบาลีใช้คําว่านันทินันทิคือความเพลินหรือความเพลิดเพลินพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอมีความเพลินอยู่เนี่ย จะมีความกำหนัดกล้าพอมีความกำหนัดกล้าแล้วเนี่ยจะเป็นจะมีความผูกจิตติดกับอารมณ์เพราะผูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยก็จะเรียกว่าอยู่อย่างมีเพื่อนสองก็คือว่าอะไรก็คือตันหานั่นแหละคือเพื่อนสองของเธอเพราะฉะนั้นก็คือมีตันหานั่นเองถึงแม้ว่าจะซ่องเสพเสนาสนะอันส ง, งนัดคือป่าป่าชัดที่ที่ปราศจากเสียงรบกวนเสียงคึกก่อมน้อยโครมครามน้อยเนี่ย ก็ยังชื่อว่าเป็นผู้มีตัณหาถ้ายังมีความเพลิน อ, อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาบอกว่าความเพลินเป็นสมุทัยเนี่ยโดยพุทธวจนะเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าถ้าเราลิงก์อย่างนี้ว่าอ๋อตัณหามาจากการผูกจิตติดกับอารมณ์การผูกจิตติดกับอารมณ์มาจากความกำนังกล้าความกำนัดกล้ามาจากความเพลินเพราะฉะนั้นความเพลินก็เป็นเหตุของความทุกข์ได้เหมือนกันทั้งหมดเลยไหมค ะ, ะเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเกิดจากความเพลินไหมคะ ถูกต้องก็คือถ้าเราเพลินแล้วก็คือ<ะ>ความเพลินนั้นคือความทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์เพราะว่าความเพลินพาไปสู่ตัณหานั่นเองค่ะแล้วตอนน <besar> ี้ก็พอ<า>เกี่ยวข้องกันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นตัณหาเนี่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้ายังละตัณหาไม่ได้ก็ชื่อว่ายังละทุกข์ไม่ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ให้ทางแก้ไว้ว่าถ้าเธอละความเพลิลนนะพอละความเพลินแล้วเนี่ยความกำนัดกล้าไม่มี พอความกําหนังกล้าไม่มีเนี่ยการผูกจิตติดกับอารมณ์ก็ไม่มีพอไม่มีการผูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยตัณหาไม่มีดับตัณหาได้ตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละเมื่อละตัณหาได้ความทุกข์ดับเพราะฉนั้นก็คือละความเพลินคือพระผู้ทรงนี่ตรัสไว้ให้เราเห็นเป็นสายสายสายสายทางไปทางมาชัดเจนละความเพลินในอะไรค่ะละความเพลินในตาในหูในจมูกลิ้นกายใจ เห็นอะไรโอ้โหรถสวยๆขับผ่านข้างหน้าอย่าเพลินค่ะได้ยินเสียงคนชมเราแหมสวยจังเลยหล่อจังเลยอย่าเพลินขอหน่อยไม่ได้เลยค่ะไม่ขอได้ขอเพลินขอเพลินไปสักนิดหนึ่งก็เพลินต้องเป็นสิ่งที่ควรละอืมเพลินคือสิ่งที่ควรละไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราเกิดเพลินไปเพลิดไปกับสิ่งที่กระทบนั้น ใช่ไหมคะเราจะต้องละไม่อย่างนั้นแล้วเราจะเป็นเหยื่อของความทุกข์อย่างนั้นหรคะถูกต้องเป็นเหยื่อของมารค่ะ อ, อ, อยากจะให้ท่านกล่าวซ้ำอีกที ว, ว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าเพลินจะมีกําหนัดกล้าถูกต้องแล้วไงนะคะเมื่อมีความกําหนัดกล้ามีอยู่เนี่ยความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีค่ะพอผูกจิตติดกับอารมณ์แล้วเนี่ยนี่แหละคือตัณหาค่ะเพลินอันนี้ ดิฉันที่ทบทวนเนี่ยเพราะเห็นว่าอยากจะให้ท่านฝังในเข้าถึงพุทธวจะนะล้ำพังพูดผ่านไปท่านอาจจะจับไม่ทันนะคะดิฉันเองก็อยากจะจับไว้มั่นๆในคราวเดียวเหมือนกันเมื่อมีความเพลินจะมีกำหนัดกล้าเมื่อมีความกำหนัดกล้าจะมีการผูกจิตติดกับอารมณ์ใช่ออแล้วอาการที่จิตไปผูกติดกับอารมณ์นั่นแหละคือตัณหาของเธอผูกจิตติดกับอารมณ์นี่หมายความว่า ค, คือเหมือนกับว่าพอเพลินไปกับตาหูจมูก คื อ, อมีอารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บจิตจับทันทีนั่นแหละตัณหากําหนิดกําหนัดกล้านี่มันเกิดมาจากเวทนาไหมคะชอบไม่ชอบความกําหนัดกล้าเนี่ยเกิดมาจากความเพลินเพราะฉะนั้นเพลินในอะไรความเพลินเนี่ยเอาสมมุติมีตาเห็นรูปวับเกิดภาษาใช่ไหมจะมีอารมณ์ะจะเกิดอารมณ์ขึ้นกับจิตถ้าจิตเนี่ยไปผูกติดกับอารมณ์นั่นแหะคือตัณหาละอ๋อกำหนัดกล้าในที่มิหมายความถึงอารมณ์ กำเนิดกล้านในอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วถ้าจิตไม่ปล่อยอารมณ์นั้นไปจับมันไว้ก็ทุกใช่ไหมคะ<ต>ก็จะทําให้อยู่แบบมีเพื่อนสองนี่ฉนชอบคําเนี้เพราะว่าต้องอธิบายด้วยว่าหมายความว่าตันหาตันหาคือเพื่อนสองขงเธอตันหาคือเพื่อนสองอหมายความว่าคือเ อ, เอาเอาเอาตรงนี้แค่นี้ว่าการที่จิตไปผูกติดกับอารมณ์เนี่ยอาการอย่างเนี้ยคือตันหาค่ะเพราะว่าหลไรจิตมีความอยากในอารมณ์นั้น พอจิตมีความอยากในอารมณ์มันก็ติดเลย<ะ>อันนี้คื อ, อภาษาบาลีว่าสัญโยคาะคือการผูกจิตติดอารมณ์การผูกจิตติกับอารมณ์เนี่ยมาจากไหนก็เพราะว่าความกำนังกล้าความกำลัดกล้ามาจากไหนนันทีความเพลินความเพลินจะแก้ได้ยังไงต้องแก้ด้วยสติสติเจ้าสติตั้งไว้ที่ไหนลมหายใจเพราะนั้นมีสติในลมหายใจก็ชื่อว่าความเพลินดับไป ก็คือคาการเจริญอนาบานสตินั่นเองได้ใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ใครครวนทํำเหมือนกับที่วันก่อนได้พูดถึงว่าไม่จําเป็นจะต้องนั่งปฏิบัติเป็นเรื่องเป็นราวใช่นะคะแต่ว่าถ้ามาใครครวเนี่ยพบตัวเองว่าเอเพลินแล้วล่ะสเิเรามีภาษสะแล้วใช่ไหมเกิดความกําำลัดกล้า อันนี้ก็ใช้ใช้วิเคราะห์ใช้ธรรมวิจยยัยใช่ไหมคะวิตกวิจารอย่างนี้<ด>กับสิ่งที่ปรากฏขึ้นในในขณะที่ท่านได้ทําอย่างนู้นอย่างนี้ที่จะใช้เป็นอารมณ์ในการพิจารณาใช่แล้วก็อาจจะทําให้เกิดการบรรลุธรรมได้ก็จะเป็นผู้ที่มีสติผู้ที่มีสติเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นองค์ธรรมแหง่งการตรัสรู้ธรรมคือจิตเนี่ยพร้อมแล้วที่จะตรัสรู้ธรรมอ๋อมีสติก็คื อ, อจะอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะพร้อมที่จะตรัสรู้ธรรม เพอาะ้พอคนพร้อมที่จะตัดสัรู้ธรรมเนี่ยคือเธอมีสตินะมีสติสติแบบนี้เรียกว่าสติสัมโพชงคือสติที่พร้อมแล้วเพื่อการตัดสรู้ธรรมแต่ว่าต้องพร้อมด้วยลักษณะของอลักษณะสประการคำว่าสัมโพชงทั้งหลายเนี่ยนะคะอ <Okay. S 2> าจารย์ถ้าจะให้แปลให้เข้าใจง่ายๆ mm hmm. อยากจะรบกวนด้านใน คำนิยามคะค่นิยา ม, นะมนิยามของสัมโพชงหรือโพอชงเนี่ยก็คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรมรมภาษาอังกฤษก็เรียกว่า enlightenment factor หรือว่า factor of enlightenment ก็คือว่ามี f a c t o r องค์ประกอบเหล่านี้สักอันใดอันหนึ่งคือพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนจะบรรลุธรรมได้เนี่ยมีเจี7ทางถ้าเธอจะมาทางสติก็ได้เธอจะมาทางวิทยาก็ได้ธรรมวิทยาก็ได้อุเบกขาก็ได้ ะสติจุบันได้ทั้งนั้นถ้าเธอมีสตินะสติที่เธอตั้งมั่นอย่างเนี้โดยการมีสติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยสติอันนั้นเนี่ยเป็นสัมปช ok ค, คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมจิตพร้อมแล้วที่จะตรัสรู้ธรรมอันนี้ก็เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ย<อ>จะได้พบกันอีกต่อๆไป ใ, ในรายการพอดีมีคําถามอื่นเข้าใจค ะ, ะแล้วก็มี การกล่าวถึงมัรกถึงในส่วนทุกขสมุทัยนิโรธมารกใช่ไหมคะมารกเนี่ยหมายถึงทางแห่งการดับทุกข์แปลตามท่องทองกันมาเนี่ยแล้วก็มีการยกตัวอย่างนะคะว่าเนี่ยถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ตามเรื่องทิฏฐกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลควรมีต่อทิศต่างๆซึ่งหมายถึงพ่อแม่บิดาบานบิดามารดาลูก ลูกน้องเจ้านาย อ, อะไรอย่างเงี้ยนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งว่าการทำตามมงคล38ก็เท่าคือการดับทุกข์เหมือนกันจึงอยากทราบว่ า, าเป็นเรื่องเดียวกันกับมรรคมีองค์8ด้วยหรือเปล่าคะพระรูปเาบอกว่าทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลื่อยทุกข์เนี่ยหรือมรรคเนี่ยน ะ, ค, ะคือเปรียบเสมือนรอยเท้าช้างสัตว์ใดในโลกเนี่ย ที่จะมีรอยเท้าใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้างเนี่ยไม่มีจะมาเสียบลงที่รอยเท้าช้างได้เสมอค<ะ>เพราะฉะนั้นเรื่องทิศหกมีสัมมาวาจาไหมมีมักมีองค์มักมงคลสามสิบ38ประการหรือว่าบางที่เขาก็เรียกสามสิบหกประการนี่แหละ <S <S ก็มีสัมมาวาจาไหมมีเป็นสัมมาทิฏฐิไหมคนที่จะมีทิฏฐิความเห็นของเขาที่จะไปทําตามทิกความเห็นของเขาที่จะไปทํามงคลสามสิบแปดประการเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรวมลงที่ตรงนี้เสมอคือทำทั้งหลายเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นมรรคพิองแปดน่าสนใจมากนะคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ทําทั้งหมดรวมลงที่นี่มรรคพิองแปดค่ะงั้นเท่ากับว่าการปฏิบัติสิ่งที่เป็นธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ใช่แล้วมรรคพิองแปดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าจะพูดย่อยเป็นสาก็ได้ก็คือสีสมาธิปัญญาสีสมาธิปัญญาเนี่ย จะพูดเป็น2ก็ได้ก็คือสมถะและวิปัสสนาท่าจารก็เคยได้ยินว่ า, าถ้าจะพูดเป็นทานศีลภาวนาเคยได้ยินอย่างนี้จริงๆนะคะว่ามั่งเปงค์เนี่ยเป็นทานศีลภาวนาก็ได้ในจริงหรือไม่คะจริงเพราะว่าอะไรคนให้ทานเชื่อว่าการให้ทานมีผลเนี่ยเป็นสมาธิฏิสมาธิฏฐิมี2 อ, อย่างคือส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับของหนะักคือเป็นโลกิยะเนี่ยเป็นเกี่ยวเนื่องกับอสวะกับส่วนที่เป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นสมาทิฏฐิที่พระเจ้าบัญ ญ, ญัติมี2 ส, ส่วนนะ ส่วนที่เชื่อว่าให้ทานมีผลพ่อแม่มีบิดามีมันนามีการทําความดีมีการทาําทความชั่วมีทําชั่วได้ชั่วเทวดามีพระพุทธเจ้ามีนี่คือสมาธิทิที่เกี่ยวกับโลกอยู่ค่ะ <Okay. S 1> สมาธิทิแบบที่สองคือเกี่ยวกับโลกุตละนะคืออริยสัจสีรู้อริยสัจสีเพราะนั้นบอกว่าให้ทานอา้าวถูกนี่เป็นสมาธิทิ่ mm. เพราะนั้นทานศีลสมาธิอา่าทานศีลภาวนาะก็รวมลงในมรรคแปดนี่แหล <Okay. S 1> นะอ๋อค่ะ เพราะมรรคแพระพุทธองค์ทรงเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างใช่ทุกอย่างจะต้องรวมมาลง<ม>ที่มรรคแปดเะ่ากันครับทีนี้อยากจะกลับเรียนถามละเอียดลงไปถึงเรื่องของมงคล38สักนิดได้ไหมคะ<ช>ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเราควรจะปฏิบัติมงคล38อย่างไรคะในเรื่องนี้คะ่ะทรงตรัสไว้อย่างไรก็คือว่า ในเรื่องนี้ในพระไตรปิดกที่ท่านได้เขียนไว้เนี่ยก็คือมีเทวดามาถามว่าเอ๊สิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยมีอะไรที่เป็นมงคลเราบอกว่าอ่านี่ไงเอาผงดินมาผสมกับกลีบดอกไม้อาจให้เป็นแท่งๆมีรูปพระพุทธเจ้านะนี่วัตถุมงคลทุกวันนี้ทำกันอยู่เยอะหรือเอาทองแดงมาหลอมเป็นเป้าทาปั้มเป็นเหรียญออกมานี่วัตถุมงคลพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ มงคลที่จริงในธรรมะวินัยนี้เนี่ยมี38อย่างไล่ไปเลยปับับปั บ, ป บ, ปบมีการเลี้ยงดูบิดามารดาการฟังธรรมการอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนใช่ปะเรียกตัวเองว่าชาวพุทธเนี่ยก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนพระพุทธเจ้าบอกสอนนี่การเป็นมงคลเนี่ยของขลังนี่มีอยู่แล้วในธรรมวินัยนี้ <Okay. S 1> นี่ไงทํา38อย่างนี้ชอบที่จําได้ จำได้แต่อะไรนะคะอ่ะเซวนาจะพาลานังใช่ไหมค ะ, อ, ะอยู่ในมงคล38ไม่ไม่ไม่ให้ครบกับคนผาน อ, อย่าคุยกับอย่าคุยกับคมผานแล้วก็ให้คร บ, บันดิตเท่าไหร่นะคะพูดถึงเหมือนกับว่าถ้าเราจะจะดูก็จะเห็นว่ามีข้อธรรมเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย ทีนี้ในชีวิตหนึ่งก็แล้วแต่จะเลือกจํามาใช้กันอย่างไงคะแล้วแต่ว่าใครสะดวกจําแบบไหนบางคนจํามงคล38มบางคนเอาแค่ศี่หพ อ, อบางคนเอามากแปอย่างนี้หรือเปล่าคะได้ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยแสดงธรรมไว้โดยอเนกปริยายแบบโฮมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอรู้ธรรมแม้เพียงสี่บทแล้วทําอะไรต่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเท่านี้พอ อ๋อคือรู้แล้วต้องเอามาปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมถต้องถึงจะเท่ากับพอใช่ไหมคะถึงจะเรียกว่าเป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมไม่ควรแก่ธรรมถึงจะเรียกว่าเป็นพหูสูตพหูสูตรผู้ทรงธรรมเพราะนั้นไม่ต้องรู้อะไรมากรู้ธรรมแม้เพียงสี่บทอะไรอะอริยะ ส, ะสัจสี่ก็ได้ท่านอาจารย์คขออนุญาตถามว่าปฏิบัติให้ควรแก่ธรรมประกอบกับธรรมที่เรารู้มาแล้วนั้นเนี่ยอืจะได้เป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมแล้วได้วิมุตติหลุดพ้นไหมคะ แลพระทุกขเจ้าพูดถึงการสร้างเหตุนะนะว่าการถ้าเราสร้างเหตุเพียงพอเนี่ยผลเนี่ยมันต้องมันต้องได้จะคาดว่าได้มันก็ต้องได้จะคาดว่าไม่ได้มันก็ต้องได้ถ้าอาจารย์คะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเป็นหัวข้อธรรมอย่างเช่นพรหมวิหารซึ่งพรหมวิหารนี่เคยได้ยินจากท่านอาจารย์เองบอกว่าถ้าปฏิบัติแล้วเป็นพรหมใช่ไหมคะฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาอ่าพรหมวิหารคือเมตตาคือเมตตาขออภัยค่ะเมตตา กรุณาเมิตาอุเบกขาอย่างนี้ค่ะอันนี้ทําแล้วก็เป็นได้แค่พรมหมไม่ใช่หรอคะถึงแม้จะปฏิบัติตามทำสี่ข้อให้ครบถ้วนนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัตินะที่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกับพรหมะนะคือการเจริญเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาทีนี้ <c oughs> การที่ถามว่าเจริญเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อวิมุตติพระพุทธเจ้าถามเลยบอกพระพวกนิครณอะ มีพวกนิครณมากล่าบหาพระบอกว่าเนี่ยในธรรมวินัยของฉันนะก็มีการสอนเมตตากรุณาเทตตาอเบกคาเหมือนกันธรรมวินัยของเธอก็มีการสอนเมตตากรุณาเมตตาอเบคาเหมือนกันเธอก็อปปี้ฉันเขงฉันดีกว่าอย่างนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่สิให้ไปถามพวกนิครณอย่างนี้ว่าผลของการเจริญเมตตากรุณาเทตตาอเบคาเนี่ยทำทำอย่างไรจึงจะมีผลอย่างไรพวกเขาจะตอบไม่ได้ พระุทธเจ้าก็เลยอธิบายสั้นๆว่าให้เจริญเมตตากรุณาเมตตาเบกขาเนี่ยโดยอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธอันน้อมไปเพื่อความสนัดลงทําอย่างนี้จะเป็นใบเพื่อวิมุติคือต้องประกอบกันอีก3าอย่างกับวิเวกวิราคะวิเวกนี่คืออยู่วิเวกคืามวิเวกเงียบๆฮหลีกเล่นค่ะถูกต้องวิราคะไม่มีคือความจางคลายความจางคลายค่ะจางคลายแปลว่าไม่มีกิเลสนคะความจางคลายคือการเห็นความเบาบางของมัน การเห็นการเกิดดับนั่นแหละค่ะแล้วนิโรธคือความดับอีประการหนึ่งค่ะนิโรธคือความดับนิโรธคือความดั บ, าดบท า, บ, าบ่อยๆทำสามอย่างนี้ บ, บ่อยๆจะเกิดสิ่งสุดท้ายเรียกว่าโวสัคคะคือความสลัดคกนดหรือการปล่อยวางค่ะแล้ ว, ว่าถ้าเราถนัดแบบไหนนะคะมีโอกาสที่จะน้อมไปทั้งนั้น<ช>เพียงแต่ว่าบางหัวข้อทมจะต้องใช้ประกอบกันแต่สาคัญก็คือต้องปฏิบัติ ตามธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติสมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมค่ะคำที่เราย้าทั้งหลายก็จะเป็นผู้ทวจนะนะคะวันนี้ก็ต้องน้อมสักการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลไว้ในโอกาสนี้ค่ะทานฝั่งค่ะติดต่อมาทางรายการของเราได้ตามที่อยู่ที่เคยให้ไว้นะคะและสําหรับวันนี้หมดเวลาจริงๆค่ะกับรายการสรนสนีสนทนาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ